แต่มื่นี้มีแรงหน่อยจะทุ่งมากไป่า น, น่อยตอนนี้ก็ขอพูดเรื่องกระสินต่อไปเพราะกระสินยังไม่จบกระสินต้องมีสิทธกอที่ผ่านมาแล้วแค่กองที่เป็นสี่กองสำหรัก็ศสินเมื่อวานนี้ก็ดีวันนี้ก็ดีพรุ่รงนี้ก็ดีจะไม่เรียงลําดับตามกอจะเรียงลำดับเข้าหมวดถ้าะถ้าสามวันไม่แยกพูดทั้งหมดทุกกระสินให้ทำให้เกิดทิฏฐิปุญญา ความจริงที่ตเณียเป็นกองมาสลับกันเพื่อจง่ายกาศิลที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ีสามกอคือกองที่หนึ่ง เ, เงนเตโกศิกที่สองโอทาเตราศิกอที่สามอาลศิลป์เป็นสารกอด้วยกันวันนี้อยาพูดโอทาเตราศิโอทาเตรสศินปก็หมายถึงดูสีขาว สนม่เครื่องหมายเป็นสีขาวเป็นสีเสื้อขาวสีกางเกงขาวสีผนังขาวขาวได้ทั้งหมดเอาดูมิครสีขาวเป็นหนมิคเวลาที่สาธย า, าจานนัอธิบายไว้ว่าต้องทําสะดงกว้างแต่นี้แล้วผ่าสูงกลางเท่นี้อะไรก็ตามเถนั่นเป็นแบบฉบับที่ท่านแนะนําว่าควรจะทําแบบนั้น แต่แ ว, ว่าแต่จริงๆแล้วเวลาเขาปฏิบัติกันเขาไม่ทํากันเพราะว่าสีขาวที่ไหนก็มีไม่เมื่อเห็นสีขาวแล้วก็จับไปภาพพินิตกับสิ่งจะมีสีขาวจุดเล็กจุดโตจะเป็นกระแพงจะเป็นโบสถ์จะเป็นต็กแล้วก็ช่างเถอะแล้วก็ใช้สีขาวไปพื้นฐานตอนนี้อารมณ์ของกับสิ่งก็มีสภาพเหมือนกันก็จับไปเกิดภาพพิมิตต่อวันนี้ก็ ยังร่างกายยังเลยวันนี้เหนื่อยมากแต่ว่าคือท่าทางจะอารมณ์เอจสมองจะดีกว่าวันนี้วนันนี้ไม่เป็นหน่อยเวลาปฏิบัติกรรมฐานก็ศิลงก็ตามกองอื่นก็ตามให้ปฏิบัติเหมือนกันคือเรียกว่าผลของกรรมฐ า, านจะพึงเกิดขึ้นคือเรีกว่าสมาธิก็ต้องมีส่วนใระกอบคือศิลงสิ่งต้องบริสุทธิ์ ถ้าศิลบริสุทธิ์ฝุดป่องดีแล้วสมาธิก็เกิดเพราะว่าสิงก่อจะมีสิงขึ้นมได้ะกะต้องมีคุณธรรมสองอย่างควบควบู่ันนั่นคือเมตตาความรักกุลาความสงสารถ้าเมตตาความรักกุลนาความสงสารไม่มีสิงก็เกิดไม่ได้ อันนี้มาจิตมีเมตตาความรักกุณาความสงสารอารมณ์ี่คิดเป็นศัตรูกับใครไม่มีคิดจะมีค่าเก่งข่าเขาไม่มีกลงความว่าอารมณ์โหดร้ายหมดไปไมีแต่ความเยือกเย็นเมื่อจิตมีความเยือกเย็นคุมสิ่งให้สงตุลก็คุมสมาธิด้วยแตลว่าสิ่งทั้งหมดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสมาธิ ถ้าเออยังมีคนถามก็ามาก็ขอที่บายจนยอดยอดได้ว่าทําไมสินเป็นปัจจัยเกิดสมาธิก็พราะคำว่าสีนเนี่ยถ้ารักษาสินห้าเราต้องจําทั้งห้าข้อถ้าเรารักษาสินแปดเราต้องจําทั้งแปดข้อถ้าเรารักษาคำบทสิบเราต้องจําทั้งสิบข้อไอ้ตัวจํานี่แหละถ้าจิตไม่มีการทรงตัวมันจําไม่ได้ ดีไม่ดีเราก็อาจจะจำชื่อขาสิ้ได้จำชื่อกําบทสิบได้แต่ ว, ว่าจำรีลาการปฏิบัติคือการเว้นไม่ได้พอเมื่ออา ร, รมณ์ดีมีความแจ่มใสเกิดขึ้นจิตใจสบายจำชื่อสิ้ได้ด้วยวก็จารีลาการปฏิบัติได้ด้วยว่าสิ้ข้อที่หนึ่งเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ ไอ้ทำลายร่างกายสัตว์สิ่ข้อดีสองเราต้องมายืะแยะไม่ลักตอกมึขงมขโมยไม่คุ้โกทรัพสมบัติของใครสิลข้อดีสามตลอดสินง้าเราต้องมาแย่งคนรักของคนอื่นสิ่ข้อดีสต้องไปพูดโู้สาว่าสิ่ข้อดีหต้องไปดืม่มสุราแเรมีไรที่เป็นความจำที่นอกเหนือจะจำชื่อของสิ่ง จ้าจำได้แบบนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามตัวปฏิบัติการนี่เป็นตัวสมาธิถ้าจะทรงสิ่งข้อใดข้อหนึ่นได้ก็ตามเวลานั้นต้องเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าสมาธินะเราไว้จิตตั้งมัน่นสมาธิเรคําว่าจิตตั้งมัน่นหมายว่าเราตั้งมั่นไว้ในใจวันหนึ่งวันนี้เราต้องไม่ขาสักเราต้องไม่ ไม่บรรทุกสไลด์สัตว์เราต้องไม่ลักทรัพย์ไปโกหกทรัพย์เขาว่าเยอะแยะทรัพย์ของเขาไป่เป็นต้นถ้าอารมณ์แบบนี้ยังจําได้และปฏิบัติได้นั่นคือสมาธิเมื่อสิ้นเป็นเหตุเกิดสมาธิไในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสมาธิคือความจําสมาธิแปลว่าความจำและตั้งใจมั่น เมื่มาที่เกิดขึ้นอารมณ์ทรงตัวดีวอนห้าบราการไม่กวนใจในเมื่อดีวอนห้าบราการไม่กวนใจจิตก็เริ่มสะอาดเมื่อจิตเมลองสะอาดปัญญาก็เกิดเมื่อคืนวิปัสสนาญาณตัวปัญญาก็เกิดเกิดตามรูปของอริยสัจบาา้างอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างตามวิปัสสนาญาณก้าว่างนี้เป็ต้น ถ้าเกิดในโลกความเริยสักก็มีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าการเกิดของคนนี้มาเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่มีความสุขจริงเรามีแต่ความทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายเป็นทุกข์ความรักข้าใจขอรักขอเสกใจเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงมันเป็นทุกข์ตัวที่เห็นทุกข์างนี้เป็นตัวปัญญาเอ เมื่อบางท่านไม่ถนักดในการเรียนพิพิธศาลายานได้อริยสัตว์อาจจะใช้กายอสัญญาณไรรักคือสามอย่างลักษณะสาอย่างคือหนึ่งอนิจจังถุกคือว่าตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของไม่เที่ยงร่างกายคนร่างกายสักตว์ประจุธาตุไม่เกี่ยวไม่มีการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงมีการสุดสบ ข้อที่สองในเมื่อมันไม่เที่ยงมันมีการส่วนตัวอารมณ์ใจเราก็เป็นทุกข์เพราะเราต้องการให้มันเที่ยงในที่สุดความไม่เที่ยงมีขึ้นในที่สุดก็แปลว่าตาสลายตัวถ้าเราไปยึดร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายไม่ไมีเราคิดว่ายาสายร่างกายอยู่ตลอดการต่อสมัยมันทรงไม่ได้ใจเราก็เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ได กรรงความว่าสมาธิจะมีได้ก็อาศัยสินพ้าสินมีเมตตาความนักกนัยความสรงคุณานความสงสารเป็นพื้นฐานจะมีรเรงเยือกเย็นในเมื่อเมียรงเยือกเย็นก็จําสินได้จําดีลาในการปฏิบัติปฏิบัติในการปฏิบัติสินได้โสงตัวไม่เป็นสมาธิจิตก็สงบม้เาเจริสงบปัญญาก็าเกิดก็เกิดได้ ดังนั้นการปฏิบัติกรรมฐานทุปกองบรรดาแยกโยมพุทธบริษัททุกคนอันดับแรกเพื่อความมั่นใจเวลาจะเริ่มทํากรรมฐานตารุขัมให้สมาทานชินเสียก่อนเพื่อการความบกพร่องของเราเองเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่ามันจะบกพร่องตรงไหนบ้างคือแม้ว่าไม่บกพร่องเราก็สมาทาน เนการแสดงความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานสินให้หลังจากนั้นก็ปฏิบัติการใจชอบจากนี้ก็ขอเรียกพูดว่โอทาเตกะสินโอทาเตกสินเพ่งสีขาวจะทําเป็นสะดิ้งและถ้วยเขาขาวพระพุทธรูปเขาขาวผ้าเขาขาวเาบางด่างตามใจชอบไปเหมือนกัน แล้วก็หลักตาลืมตาเหมือนกันแต่คนมาใหม่ไม่ต่างเลยก็เป็นว่าลืมตาดูสีขาวเอางี้กันกนลนะจจาภาพสีขาวให้ดีแล้วภาวนาว่าโอทากสินาถึงแม้ถึงแม้ว่าจะไปสุขาภิสโกในตอนต้นภาวนาว่าอย่างไรก็ได้แต่เข้ามาถึงตอนกลางไม่ต้องภาวนาตามกอง อวนาโอทากสิดำโอทากสีดงนึกใส่ใจก็จำภาพไปว่าภาพเป็นสีขาวก็จำภาพได้ก็หลับตาเนึกถึงภาพสีขาวนึกถึงภาพสีขาวก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปด้วยหายใจเข้าโอทากสนดงหายใจออกโอทากสีดงโดืไม่จะว่าช้าหายใจเข้าโอทากะหายใจออก กินนังอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคือว่าว่าดจะระบายอย่าให้มันเหนื่อยหลับตาลืมตาดูถ้าเลอะภาพมันเฟือนไปเลื่อนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่จาภาพได้แล้วก็หลับตาแนละ้วถึงสีขาวใหม่สลับกันไปแบบนี้เหมือนกั น, กนทุกกอสักครู่หนึ่งจิตจะเริ่มจับภาพได้ แต่วิธีปฏิบัติสมัยก่อนก็ทำกันแบบนี้พิฆากันทํากันภาพกสินไม่จะตั้งไว้นอกที่พักเป็นนอกกระท่อมแตับดีเขาอยู่กระท่อมเล็กๆ เ, เป็นกดเป็นในปอดชาภาพกสินจะตั้งไว้นอกกระท่อมเพื่อนั่งจําภาพกระสินหลักการลืมตาลืมตาหลักตานึกถึงภาพอยู่แบบนั้นภาพเลือนไปกต่ลืมตาดูใหม่จำได้ก็หลับการนึืถึงภาพใหม่ภาวนาไป พอเห็นท่าว่าพอจําได้ก็เข้าที่นอนเข้าทิ่พักไม่มีพื้นฐานเขาจสิงอยู่ที่นั่นเอาแค่ความจําไปนั่งก็ได้ไปนอนก็ได้นึกถึงภาพก็สิ้เอานึกถึงไม่ไไมใช่ภาพลอยอยู่ข้างหน้านะแล้วก็จงกว่าจะหลับไปก็ทํ า, ทาแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้ก็ไม่ช้าก็มีผลเวลาจะไปบินำบาตร พระต่าภาพต่อสินมันโดยก่อนจำภาพต่อสินไว้เวลาเดิ น, ดนบรรดาต้องไม่เปลีภาพต่อสินเดินไปจะเดินมามีสภาพเป็นกันตวววัวภาพต่อสินนี้จะเหมืนกับภาพต่อสินอื่นว่าเป็นสีขาวอยู่แล้วสีขาวเป็นขาวผ้าหรือขาวสีมันจะไม่เหมือนสีขาวต่อสินจริงๆถ้าจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิ แก่สมัยความว่าจิตภาพสินมัติดตาแล้วนะจะไปไหนนึกขึ้นมาอะไรตัวนีออ้ภาพสินที่เราต้องการตามภาพเดิมต่อมาก็มีจิตเข้าตัวขึ้นจำนานขึ้นจริงจริก็เป็นอุกอาจนิมิตอุปจาระนิมิตนะเป็นอุปจาระนิมิตแก่หมายความว่าจิตสามารถจะรังครับ ให้ดวงกระสินเล็ดดวงได้ที่มั่งคับให้ใหญ่ขึ้น ไ, ได้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้อยู่ระดับไหนก็ได้ข้างหลังก็ไ ด, ด, ไ ด, ด, ได้ตามใจชอบต่อไปก็ภาพกระสินที่เรามองเห็นเป็นภาคเก่าที่เราดูดูวัตถุมันจะเป็นริ้วรอยหึงความหยาบพอจิตสใจขึ้นความละเอียดย่ำเกิดก็คลายตัวเป็นภาพละเอียดเหมือ น, นกับกระจก ขาวไม่ใช่กระจกใสสีทาพื้นสีสีสาฟ้าฝ้ากับกระจกขาวนี่มันจะต่างกันสังเกตไว้ดีไหมจะ <c oughs> มีความผ่องใสขึ้นแต่ไม่ใสแจ๋วเมื่อกระจกที่ใสแล้วเรื่งความวัตะยะนี่เป็นอุปกรณ์มินิเราสามารถบังคับก็สินได้เป็นงไงก็ได้ตามใจชอบ ภาก็จะฝึกทิพยานตัวนึงใช่ได้ก็ใช้อย่างแค่นี้อันดับแรกนึกถึงภาคตระสินตอนเราเนยเราไม่ต้องไม่ต้องดูภาพเดิมภาพตัวสินนี่เป็นพื้นฐานนะเราไม่ต้องดูก็จําได้แล้วถ้าจำได้แล้วกัวสินทรงตัวแล้วก็ไม่ต้องดูภาคเก่านึกขึ้นมาเมืไรเห็นภาคตระสินทันทีนึกเห็นนะไม่ใช่ลอยมา หลังจากนั้นมันให้เห็นภาพกระสินแล้วก็หลดภาพกระสินให้ใสที่สุดเท่าที่หนใสได้ตามกําลังของเราอย่าไปเกีย์ว่าต้องใสแค่นั้นใสแค่นี้มันใสขนาดไหนก็พอใจถ้ามีการชัดเจนขนาดไหนก็พอใจถ้าจิตเราเห็นภาพกระสินชัดเจนขนาดไหนภาพอย่างอื่นที่เราต้องการไในปุจจคตได้มาจากทิ่ปุญาาจะมีความชัดเจนขนาดนั้น เมื <muitas> ่อด ja e ja e no ูภาคกระสินเป็นที่มั่นใจแล้วตั้งใจนึกว่าขอภาคกระสินนี้จะหายไปภาพอื่นใดที่เราต้องการจงปรากฏขึ้นมาขณาเดี๋ยวนี้ภาพการ์ตูนอะไรทนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเราตามความเป็นจริงนี่่ะเวลาเราฝึกิปัญญาเนี่ยเป็นอะไรมาเลยฟังข่าวก็เป็นนะว่าโอท่ากระสินนี่ เป็นกระสีที่มีฤทธิ์บันไดของสีอย่างอื่นให้เป็นสีขาวทําสีลกเนิดสีดําไม่เป็นสีขาวทําสีแดงให้เป็นสีขาวสีเขียวเป็นสีขาวโลวความทุกสิงทุกอย่างไม่ใช่สีขาวต้องการเป็นสีขาวทํา้วยกระสีนี้แล้วต่อนี้ไปก็จะขอพูดเรื่องอารมณ์ปัจจัยยานเพราะสิ่งที่พูดแล้วมันเหมือนกันมันเหมือนอัตุกกอง ก็ยกทรงเคยถามว่าเกสินทำวิปัสนาญาณได้ไหมใจความจริงเกาสินนั่น ก, ก็ตามที่เป็นสมถะภาวน า, าท่านถือให้เขาว่าไว้เป็นกําลังของจิตเข้าไปห้ามจะเป็นกําลังของปัญญาให้เข้าไปห้ามพันกิเลสตนเองแต่เกสินเป็นเกาสิ น, เ ป, น, สนเป็นกรรมฐานหยาบมีความเข้มแข็งมากทรงสมาธิไต็มี เวลาที่ะใช้ทิปสั น, นายายก็ดูตัวอย่างที่พระเจ้าทงสอนพระลูกชายในช่างทอง <c oughs> ขอรอดิทานจะสักสิกนาทีได้ไหมได้นหมจะสักสมองอยังได้ไหมก็เรื่องความว่าเมืเจ้าสอนพระลูกชายในช่างทองหรือพระลูกชายในช่างทองเนี่ยเป็ น, ปนคนหนุ่มแล้วก็เป็นคนสวยไม่ ป, ประรวยซัก ต่อมาคือยากจะบวชต้องรู้ศาสนาเวลานี้ตัางแต่เรานิ้ผ่านไปแล้วนะอยากจะบวชรู้ศาสนายก็ไปบวชในคณกภาษาริบุตรการเรียนพระอารัษาริบุตรที่เป็นอาการสาวกฝ่ายฝ่ายมีปัญญามากปัญญาเลิศแต่การรู้เรื่องจิตใจคนเนี่ยมันเรื่องของพระพุทธเจ้าทันเราได้เอกเรต้องพระพุทธเจ้า พระเจ้าจะรู้ได้จิตใจด้วยกฎคูกรรมด้วยกรรมเดิมดาวกรรมดีกรรมชั่วกรรมมาแบบไหนท่านรู้หมดพระสารีบทตเห็นว่า ท, ท่านเป็นคนหนมและเกิดรวยรูปล่านลาตายก็วสวยเข้าใจว่ายันหนักคนในทางการมฉันทะความรักคนในบาเเพก็ให้กรรมฐานที่ไปคู่ปรับกับกรรมฉันกลนราคาจริตเนีย คือกายยรตานุติการสุภกรรมฐานแต่ว่าไม่เป็นที่ถูกใจของพระองค์นี้คือไม่ถู ก, กะจรพระอ่ค์นี้ทำมาถึงเนึ่งบรรษาไม่มีผลเลยแม้แต่ชานโรกีอย่าลืมนะท่จะมาถามนีใ้ใครเด่งไม่ได้หรอกนะการเรียนรู้แนะ่นอนจริงๆคือรู้แต่เจ้าแต่ขนางอักษาวิบืวียขวา ต่อมาออกภาษาภาษาดิบก็คิดว่าพระองค์นี้ถ้าจะเป็นพระที่ไม่ใช่วิสัยเราสอนเพราะว่าท่านสอนคนอื่นเวละหันมาแต่้หลายร้อยองค์นะจะต้องเป็นมิสัยที่พระเจ้าจะทรงสอนเองคนกขาแบ่งประเทพวกที่พระเจ้าจะสอนเองในพุทธศาสนาไม่มีคนก็ไป น, นำมาพาไปฝ้าพระเจ้าเล่าให้เขาเรื่องเล่า เ, าเารื่องความเรื่องเราให้ทราบเป็นที่ดีและสอนในการปฏิบัติ พระเจ้าเห็นหน้าพระองค์นี้ก็ราบทันทีว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ราชาจริตเป็นโทสะจริตตรงกันค้าท่านก็บอกภาษาลิบุตรภาษาลิบุตตะโดยก่อนสาริบุตรเธอกลับได้บนระบบผู้มีศรัทธาที่ศรัทาคดจะไม่สามารถสงเคาะได้แลนไม่มีือกลับไปได้พอภาษาลิบุตรกลับไปพระเจ้าก็ทรงเป็นฤทธิ์ดอกวัวทองคำแต่ว่า ให้เป็นสีแดงแล้วก็สีที่สมบัติดก่าโทรสะจะมีสี่คือสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีขาวอันนี้อันนี้ก็เป็นสีค้าโทตสะเหมือนกันด้วยเป็นทิพยานด้วยพระเจ้าสร้อยด่างบัวทําเป็นสีแดงนัานก็บอกว่าเธอไปหน้าวิหารไปโงนายเข้าเอาก้านบัวปักไว้ที่ทราย แล้วก็ลืมตาดูภาพนี้นึกในใจว่าสีแดงสีแดงตามภาษาบาีด้วยเลวิตาคัสสินังวิตาัสสินังนึกในใจว่าสีแดงสีแดงถ้าภาพมันเลือนจากตาจากใจลืมตามาดูใหม่พระนี้ถ้าไปทําตามนั้นสักครูเดียวก็ปลายกบว่าได้ฌานเมื่อลมเกิดเป็นฌานมีการทรงตัว ไอ้พาดก็สิงกลายกันก็กลายเป็นแดงกลายแก่สีแดงมาเป็นสีเหลืองค่อยๆเหลืองเรื่อยน้อยเหลืองน้อยน้อยจนกระทั่งหมดดอกบัวต่อไปก็เหลืองจากต่อไปคลายจากเหลืองค่อยๆขาวพอขาวแล้วก็ใสสีแก้วพอใสสีแก้วมันเป็นชานกานาที่เป็นชานที่เราส่งชานพยายามดูเรื่อเรียกว่าเขาเรื่องเ่เล่นชานซ้อมชานซ้อมดอกบัวแก้วดอกบัวแก้วนั่นให้ เป็นแก้วเห็นไม่แก้วนะเห็นภาพเป็นแก้วอยู่เมืองบนมั่งอยู่สูงบาง้าอยู่ตามบ้างอยู่ข้างหน้าบา้าอยู่ข้างหลังบ้างเป็นที่พอใจแล้วพระเจ้าซึ่อยู่ในพระมหาวิหารก็พจิจารณาดูว่าพระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้ได้ฌานโลกีแล้วถ้าเราไม่ช่วยจะได้บรรลุมรรคผลก็โศสะวส <c oughs> ่ถ้าไม่ช่วยจะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลเราต้องช่วย เมื่อพระอนั้นเลืมตาดูดอกบัวในสีแดงแล้วเป็นตับ ว, วัวทองคํำแข็งแรงมากแล้วกหลับตานในจงภาพสีแดงเล่นเกินชานอยู่พระเจ้าก็ส่งนาให้ดอกบัวที่มีสองฟา้าสดใสเศร้าหมองลงไปเสร็ครู่หนึ่งที่ลืมตาขึ้นมาดูนั่นก็ตกใจว้าเมื่อกี้เราขอสายดีนี่นทาไมเศ้าหมองเด็วนักให้ประจำภาพเศร้าหมอง เม่ลหลักตาเนะื้อภาพสอมองถ้ามาจําไม่ได้ชีอะไรก็ช่างมันต่อไปพระเจ้าสนิทกาลังหลับตาอย่างนั้นท่านสนิทให้เกลียบดอกบัวหล่นพอท่าลืมตาไว้ให้เกลียบดอกบวัวหล่นเอามากรีดนะมำให้เศ้าหมองหล่นไแล้วแล้วต่อไปก็นี่อ่านพระเจ้าก็อริษฐานให้ดอกบัวหักใกล้เกินหักหมดกระจายไป เรานั้นเห็นสภาพดอกบัวเป็นอย่างไั้ก็คิดถึงชีวิตของเรามีสภาพไปแตกต่างในกระดอกบัวความจริงดอกบัวสีแดงนี่เป็นทองคํามีความเข้มแข็งดีว่ากระดูกเราซีอีกกระดูกก็เรายังแข็งสู้ทองคําไม่ได้แม่แต้องเลื่อยกับหนังไม่ต้องคิดมันจะขูดกันมันก็ยืดกว่าแต่ว่าช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นกับดอกบัว แรกดอกบัวทองคําำในสภาพแจะมใสสดสวยดีมากต่อมากับสีเศร้าหมองโห ล, ต, ต, โ ล, ล, ต, ลต่อมากรีบลอยโล่กรีบหล่นต่อมาก้านหักตัวหักทีนี้พวเราก็าเช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆยันลมหญสาวก็มีสภาพความแจงออกไต่อไปเมื่อความแก่ใครเข้ามาก็มีการเศร้าหมองในสุดก็เต็มด้วยความทุดโทรม เมือก็ดอกโบว์ที่เกลืล่อนถ้าได้ดีสุดกับสลายตัวคือตายเมื่อดอกโหว์ที่หักท่านบอกก็เลยคิดต่อไปว่าขึ้นเชื่อว่าชีวิตอันนี้มันมีความไม่เที่ยงคือหาความหายหาความความจริงจังส่งตัวไม่ได้ถ้าเรายึดถือว่าชีวิตคือร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่ความทุกข์มัก็เกิดถ้าได้ดีสุดอนัตตามันก็ต้องสลายตัว ตั้งแต่นี้ต่อไปเราถือว่าการเกิดของเรามีครั้นี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นรกเป็นคั้งสุดท้ายการเกิดต่อไปของเราจะไม่มีอีกคือไม่ต้องการคำท้าแบบนี้ถ้าจิตคิดว่าไม่ต้องการคำท้าก็เป็นอา ร, ร, ร, รอมณ์ผลาญสําเนธผลาญความไปสุนิทายานเป็นความจริงเรื่องการสินจริงๆเอาเป็นยุทัศนายานก็ได้เอาเป็นกําลังยังถ้าอย่างนี้นะเขาถือว่าเอาเป็นกําลังของสุนายาน ถ้าเอาก็สินไปเวทนายายให้จับภาพนิมิตภาพนิมิตอันดับแรกเราจะจับได้แสนยากคือหมายความว่ามันไม่มีการสุตัวเห็นแปบ๊บปั๊บหลับตาน่อยภาพเรือนหายไปลืมตายขึ้นมาดูใหม่จำได้ตั้งใจจะไม่ลืมเรือนหลับตาเนึงองจาภาพกรสินไม่ใช่กีลังสลายตัวไปตอนนี้ก็มาเทียบกับชีวิตของเรา ชีวิตมีความเกิดขึ้นและก็มีความดับ้าพกระสินเกิดขึ้นเหมือนกับชีวิตของเราเกิดขึ้น้ากระสินดับไปหมือนกับชีวิตของเราดับไปถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีความวุ่นวายเกาะอยู่ในกนิเลสตัณหาราทานอุสนุนตธรรมทั้งสีอย่างเรยัง ม, มีการเกิดเกิดกับดับแบบนี้หาที่สุดไม่ได้ไม่มีจุดจบไป่มีความสุขเกี่ยวรวมกวาไมไาขึ้นชื่ว่าการเกิดของชีวิต มันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนมีความเสื่อมของมันในเบื้องต้นก็มีการสลายตัวเป็นอันดีสุดเรอไม่ต้องการความเกิดอย่างนี้อีกไม่ว่ากับนั้นได้กับศีลนะกับศนั้น ส, นนสูงมากถ้จ า, า, า, าจับอุบาสนาญาณจับเกิดดับเนี่ต้องถึงว่าสูงมากก็ไม่มีองร์ก่อนแต่ว่าถ้าเราจะใช้กําลังของกับศีลไม่จะเรีายานอุบาสนาญาณยังไม่ดีง่ายด้วย ว่าเร า, า, าต้องสังเกตุประตานี้ถ้าัำใช้กำลังใจพิจารณาวิบัติษายานถ้ากำลังใจผู้งั่านเกิดอารมณ์ไม่สบายขึ้นมาเลิกวิบัตสนณจับภาคกระสินต่อไปต้องใช้แบบนี้นสลับกันนะจนกว่าสมาธิกับวิบัตสณายานจะเกินจะร่วมกันได้ คำเม่ล่วงกันได้แต่หมายความเริ่มจากสมาธิปักสมาธิส่งตัวเพราะวันั้นพราะวันนั้นพัฒนายานมาทันทีไม่นคือเพราะเริ่มทำสมาธิปั ก, กจิตจับอาณาปานสติก่อนแต่จับภาคกระสินภาคกระสินส่งตัวเวลานั้นปัญญายก็เกิดว่าภาคกระสินที่เกิดมาอย่างนี้มีสภาพและชีวิตสร้างใครของเราที่เกิด เราเผอนิดเดียวภ้ากระสินต้องสลายตัวก็หมอนว่าชีวิตรลล่างกายเราต้องสลายตัวไปนี่ถือว่าเป็นการซ้อมสมรรถวิปัสนาและสินของเราให้มีการโรงตัวถ้าปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็ต้องทำแบบนี้จะ <c oughs> เรี่องไปหาของเก่าเคื่ององพระสงดาบันอันนี้มีความจำเป็นมากนักปฏิบัติ ถ้ามายึดถือในการตัดสังโยคมันก็แบมจะว่าไม่มีผลนั้นไม่ได้ผลมีแน่แต่ว่าผลในการพ้นอามายกุมมันไม่มีต้องเข้าไปศึกษาสังโยติสิบสังโยติสิบทั้งสิบมันก็ไปไหวเอาแค่สามก่อนคือหนึ่งสกายาทิฏฐิใจลมเบาเบาสองวิจีกิบชาสามศินประตาปรามาต ถ้าตัดสามอย่างนี้อย่างเบาๆนี้ได้ก็จะเป็นมรสดาบันนี้สุกิตาคามีเอาแค่นี้ก่อนนะถ้าได้มรสดาบันแล้วอาหารเรื่องของไม่หนักถ้าว่าเข้าเขตแล้วสําคัญตอนยังไม่เข้าเขตใส่กาเยติเตพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่ามรสดากับสุกิตาคารมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธ จำตังนี้ไว้คือมีปัญญาเล็กน้อยก็มีความรู้สึกว่าชีวิตหรือร่างกายของคนก็นดีเขาสัตว์ก็ดีขเขาราก็ตามของเขาก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความตายในที่สุดเหมือนกันเราต้องตายการตายนี้อาจจะไปอบายไปสู่สุคติก็ได้ทุขติก็ไ ด, ได้ฉะนั้นเราขอเลือกเอาไว้ไปเฉพาะสุคติไม่้องการทุคติ แล้วคือต่อไปก็ตั้งใจยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเขารักด้วยความจริงใจต่อไปก็ตั้งใจรักษาศินห้าให้ครบถ้วนถ้าหินห้าเนี่ยควรเป็นจมบทสิบด้วยนะเพราะว่าปรมโนวาใบอสิกาธรรมีแต่ไม่ใช่สําหรับวาจาเนี่ยไม่ใช่พูดไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดบดอย่างเดียวท่านไม่พูดบดด้วย ไม่พูดคำหยาบให้เป็นที่สะเทือนใจด้วยและก็ไม่ซอเสียดไม่เินทาใครเขาแตกแยกกันด้วยไม่พูดวาจาที่เหลวไหลไร้ประโยชน์ด้วยฉะนั้นพระโสดาบันก็ดีศริทาคามีต้องมีกำหนดสิบเวลาเล็นหนึ่งนาทีไม่ไม่ไมนึนาทีนะครับก็ขอย้อนกำหนดสิให้ฟังสักนิดหนึ่ง ว่าวิธีปฏิบัติทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พื้ผิดกรรมแล้วก็แถมข้อนึงแล้วก็สีไม่ดื่มสุราในใจในทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียข้แตกกันไม่พูดคํหยาบไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรม ไม่พยาบามจองล้างจองฝายไข่โกรธยังโกรธอยู่แต่ไม่จองล้างจองฝายไข่แล้มีความเห็นตรงคือยอมรับรับถือคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกตามนี้สังเกตกําลังใจถ้ากําลังใจต้องการพนันธุ์านจุดเดียวมีความมั่นคงในพันิพ์ผ่านการจะเกิดเป็นมนลบ ก, ก็ดีเป็นโยวดยกว้ก็ดีเป็นโกดีไม่มีสําหรับเราเราต้องการพันธุ์ ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ทรงตัวไม่ลิ่มเลื่อนและแสดงว่าท่านสามารถทรงอารมณของมโสดาบันได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่าไปสนใจถ้าคิดว่าเป็นระโนดาบันยังเอินไม่เป็นจะลำบากถ้าเรคิดว่าเรทรงอารมณ์มโสดาบันได้แล้วขึ้นชื่อว่าบาตต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลเราจะไม่เคยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นตัวตายเป็นสัตว์าดือดฉานอีก มีทางเดียวก้าวหน้าเกยเข้าไปใกล้นม่ผ่านราบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเลยเวลาอีกเพียงแค่เก้าวินาทีก็หมดเวลา